ชีวิตของพวกเรามีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือร่างกายและจิตใจทั้งร่างกายและจิตใจนี้ก็จะมีการกระทําอะไรต่างๆการกระทําก็มีการกระทําที่เป็นโทษก็มีการกระทําที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็มี การกระทาที่เป็นกลางๆ ก, ก็มีการกระทาที่เป็นโทษเราจึงต้องมีกฎหมายมาคอยควบคุมต้องการไม่ให้เรามีการกระทาทางที่เกิดโทษกันเช่นเรามีกฎหมายบ้านเมืองถ้าใครทำผิดกฎหมายก็จะต้องถูกจับไปลงโทษ ไปค่าผู้อื่นตำรวจก็ต้องจับไปลงโทษถ้าขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นก็ต้องถูกจับไปลงโทษกฎหมายของบ้านเมืองนี้จะลงโทษได้เพียงแต่ร่างกายแต่ส่วนจิตใจนี้กฎหมายทางบ้านเมืองนี้ลงโทษไม่ได้ ยังมีกฎหมายอีกอย่างหนึ่งที่มาคอยควบคุมลงโทษหรือให้ประโยชน์กับการกระทาทางจิตใจก ฎ, กฎหมายที่มาควบคุมมาให้คุณให้โทษกับการกระทาของจิตใจเราเรียกว่ากฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมนี้จะเป็นผู้ที่จะม า, าให้คุณให้โทษกับการกระทาทางจิตใจส่วนกฎหมายของบ้านเมืองจะมาให้คุณให้โทษต่อผู้กต่อร่างกายต่อการกระทาของร่างกายถ้าไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้จัก เรื่องของกฎแห่งกรรมเราจะรู้จากเพียงแต่เรื่องของกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองก็ดูแลจนกว่าร่างกายจะตายไปพอร่างกายตายไปแล้วก็ถือว่าจบการกระทำดีหรือการกระทำไม่ดีทั้งหลายพอร่างกายตายไปก็หมด หมดปัญหาไปแต่เรื่องของจิตใจนี้พวกเราไม่รู้จักกันไม่รู้ทั้งเรื่องของจิตใจเองและไม่รู้เรื่องของกฎแห่งกรรมที่ให้คุณให้โทษต่อการกระทาของจิตใจดงั้นเราต้องมาทำความรู้จักกับจิตใจก่อนว่าจิตใจนี้เป็นใคร จิตใจก็คือผู้รู้ผู้คิดผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นเหมือนกับรถยนต์ส่วนจิตใจนี้เป็นเหมือนคนขับรถยนต์รถยนต์จะไปไหนมาไหนได้ต้องมีคนขับคอยขับ ร่างกายนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้ถ้าไม่มีจิตใจก็จะไม่เจริญเติบโตขึ้นมาถึงแม้ว่าจะมีการผสมพันธุ์ของพ่อของแม่แต่ถ้าไม่มีจิตใจมาครอบครองร่างกายนี้ก็จะไม่มีการปฏิสนธิไม่มีการจเจริญเติบโต อยู่ในคันของแม่เก้าเดือนแล้วหลังจากนั้นก็ออกจากคันมาแล้วก็มาเจรินเติบโตการจะเจริญเติบโตได้ก็เพราะว่ามีใจคอยสั่งให้ร่างกายหาอาหารมารับประทานใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายหายใจใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายหาน้ำมาดืม่ม หาอาหารมาลับประทานนี่คือใจที่มาอยู่คู่กับร่างกายเป็นเหมือนฝาแฝดร่างกายนี้เป็นเหมือนแฝดน้องส่วนใจนี้เป็นแฝดพี่ใจเป็นผู้คอยสั่งให้น้องทำอะไรต่างๆตามความต้องการของใจ อันนี้คือใจใจเป็นผู้คิดผู้รู้รู้อะไรก็รู้สิ่งต่างๆที่ร่างกายไปรับมาทางตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายรับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสรับการสัมผัสที่มากระทบกับร่างกายแล้วใจก็เป็นผู้รู้ว่ารูปนั้นเป็นรูปอะไรเสียงนั้นเป็นเสียงอะไร กิ่นเป็นกิ่นอะไรร่างกายเองไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ร่างกายเป็นเหมือนกับกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปนี้จะไม่รู้ว่าถ่ายรูปอะไรเพียงแต่ถ่ายรูปเท่านั้นเองมีหน้าที่ถ่ายรูปรับรูปบันทึกรูปหรือเสียงไมโครโฟนก็ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงอะไร เพียงแต่มีหน้าที่รับเสียงอัดเก็บเสียงเอาไว้ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปเป็นเหมือนเครื่องอัดเสียงเป็นผู้ที่รับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสรับความรู้สึกร้อนเย็นที่เข้ามาสัมผัสที่ร่างกายแต่ตัวร่างกายเองนี้จะไม่รู้ว่าเป็นอะไร เพราะร่างกายไม่มีความสามารถที่จะรับรู้อะไรได้เพียงแต่มีหน้าที่รับรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกับกล้องถ่ายรูปมีหน้าที่รับรูปเครื่องอัดเสียงมีหน้าที่รับเสียงเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรผู้ที่รู้นี่คือใจเนี่ยใจนี้มีความสามารถอยู่สี่อย่างด้วยกัน คือหนึ่งรับรูปเสียงกิดรดรับรูร้รูปเสียงกิดลดที่เข้ามาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสองใจนี้ยังสามารถจดจำรูปเสียงกิดรดต่างๆได้พอเคยเห็นรูปนี้แล้วก็จะจำรูปนี้ไว้พอครั้งต่อไปถ้าจะรูปเก่าอีกก็จะรู้ว่าเป็นรูปอะไรเคยเคย เคยเห็นแล้วเสียงก็เหมือนกันเสียงที่เคยได้ยินครั้งแรกก็จะจำเอาไว้พอครั้งต่อไปพอเสียงนี้ปรากฏขึ้นมาอีกก็จะจาไดาา้นี่คือหน้าที่ของใจรับรู้รูปเสียงกิดรดแล้วก็มา จ, จดจำไว้ว่ารูปเสียงกินลดต่างๆนั้นเป็นอะไรอย่างไรดีไม่ดี ถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ดีก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาสุขคเวทนาความรู้สึกสุขขึ้นมาถ้ามีรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ดีก็จะเกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาถ้าเป็นความรู้สึกรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วก็จะไม่มีความรู้สึกสุขรู้ทุกจะรู้สึกเฉยเฉย แล้วพอรู้แล้วว่ารูปเสียงเกิดรดเป็นอะไรใจก็สามารถที่จะใช้ความคิดมีความคิดที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรกับรูปเสียงเกิ่นลดที่ใจได้สัมผัสรับ ร, บรู้ถ้าไปเห็นรูปที่ชอบที่ดีก็สั่งให้ร่างกายไปหยิบมาไปเอามาถ้าเห็นรูปที่ไม่ชอบก็บอกให้ร่างกายอะโยนทิ้งไป หรือเดินหนีไปอันนี้คือหน้าที่ของผู้กระทาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ร่างกายผู้กระทานี้คือใจใจนี้แหละเป็นผู้ที่กระทาเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่กฎหมายนี้ไม่สามารถเอาเอาเข้าไปถึงใจได้ไม่สามารถไปลงโทษใจได้ ลงโทษได้เพียงแต่ร่างกายถ้าร่างกายไปทำผิดกฎหมายก็ร่างก็จับร่างกายไปลงโทษแต่ไม่ได้ลงโทษจิตใจผู้ที่จะมาลงโทษจิตใจนี้มีอยู่เรียกว่ากดแห่งกรรมกดแห่งกรรมนี้จะเป็นผู้ที่จะมาให้คุณให้โทษกับจิตใจ ถ้าจิตใจสั่งให้ร่างกายไปทำสิ่งที่เป็นโทษแก่ผู้อื่นจิตใจก็จะได้รับโทษโทษที่เกิดขึ้นนี้มีอยู่สองสองส่วนด้วยกันโทษที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพอจิตใจทำอะไรที่เสียหายทำให้ผู้อื่นเสียหายใจก็จะเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาเรียกเราเรียกว่าไม่สบายใจ เช่นเวลาเราไปฆ่าไปลักทรัพย์ไปทำอะไรให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนใจจะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาอันนี่คือโทษหรือเป็นโทษที่กฎแห่งกรรมกาหนดไว้ถ้าทำบาปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนใจจะไม่สบายใจจะร้อนใจจะไม่เป็นสุข ในทางตรงกันข้ามถ้าใจไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นทำความสุขให้แก่ผู้อื่นกฎแห่งกรรมก็จะกำหนดให้ใจเกิดความสุขขึ้นมาเวลาเราทำบุญเราได้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้พอทำแล้วใจก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมากฎแห่งกรรมนี้ไม่ต้องรอให้คนอื่นมา ให้คุณให้โทษกับจิตใจมันมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติออันนี้คือกฎแห่งกรรมที่จะมาให้คุณให้โทษมาให้ผลกระทบต่อจิตใจที่เรามองไม่เห็นกันเรามักจะไม่ไม่ดูกันเรามักจะไปดูทางร่างกายกัน เวลาเราทำอะไรทางร่างกายเรามักจะรอดูผลที่จะให้กับเราทำความดีเราก็จะรอดูว่าเราได้รับรางวัลหรือเปล่าทำไม่ดีเราก็จะดูว่าเราจะถูกจับไปลงโทษหรือเปล่าเราจะเห็นเพียงแต่กฎที่สามารถที่จะคอยควบ ให้ให้คุณให้โทษกับร่างกายแต่เราจะไม่เห็นกฎที่จะคอยให้คุณให้โทษต่อจิตใจที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมถ้าเราไม่มาศึกษาทางพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่รู้เรื่องของกฎแห่งกรรมว่าเป็นอย่างไรอันนี้คือการกระทาของใจโดยผ่านทางร่างกาย ใจเป็นผู้สัง่งผู้ให้ร่างกายกระทาร่างกายนี้เป็นเหมือนกับเครื่องมือเหมือนกับเวลาที่ร่างกายเอาปืนไปฆ่าคนอื่นนี่เวลาตํารวจจับเขาจะจับคนไปลงโทษเขาไม่จับปืนไปลงโทษปืนเป็นเพียงเครื่องมือไม่ได้รับโทษกดแห่งกรรมก็เหมือนกันกดแห่งกรรมนี้จะลงโทษจิตใจ จะไม่ลงโทษร่างกายเวลาจิตใจทำบาปนี้โทษจะเกิดขึ้นที่ใจคือความไม่สบายใจแล้วนอกจากความไม่สบายใจแล้วยังทำให้ภาวะของใจเปลี่ยนไปใจนี้มีเหมือนน้ำเนี่ยน้ำนี่เราสามารถเปลี่ยนภาวะของน้ำได้ถ้าเรากล่องน้ำเราก็ทำให้น้ำสะอาดขึ้น ถ้าเราใส่ของสกปรกเข้าไปในน้าเราก็ทำให้น้ำเปื้อนทาให้น้ำไม่สะอาดได้ใจของเราก็เปลี่ยนไปตามภาวะของการกระทาถ้าทำดีก็เหมือนกับการกรองน้ำให้สะอาดขึ้นถ้าทำไม่ดีก็เหมือนกับการเอาสิ่งสกปรกเทลงไป ใ, ใส่เข้าไปในน้ำ ใจก็จะเปลี่ยนภาวะไปภาวะของใจนี้เราจะมีชื่อต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนหรือไม่เคยเห็นมาก่อนภาวะของใจที่เรารู้จักก็มีอยู่สองส่วนที่เราสามารถเห็นได้กับตาก็คือหนึ่งมนุษย์สองสัตว์เดรัจฉานทันนี้เป็นภาวะของใจ ภาวะของใจถ้าใจ อ, อยู่กำกลางคือไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปนี่ภาวะของใจนี้จะอยู่ในระดับของมนุษย์คือระดับที่บาปกับบุญมีมีกำลังเท่ากันมีปริมาณเท่ากันภาวะของใจนี้ คือถ้าใจทําบาป 50% ทําบุญ 50% ภาวะของใจนี้จะจะถือว่าเป็นกลางเป็นนิวทรัลภาวะที่เป็นของใจที่เป็นนิวทรัลนี้จะเรียกว่ามนุษย์ถ้าใจไปไปมีร่างกายก็จะได้ร่างกายของมนุษย์แต่ถ้าใจทําบาปมากกว่าทําบุญเช่นทําบาป60ทําบุญ40เนี่ย ภาวะของใจจะต่ําลงจากมนุษย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเวลาไปได้ร่างกายจะไม่ได้ร่างกายของมนุษย์จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานได้ร่างกายของสุนัขของแมวของของอะไรสัตว์ต่างๆที่เราเห็นนี่นี่คือภาวะของจิตใจที่จะเปลี่ยนไปที่เราเห็นได้เพียงสองสองส่วน คือเวลาที่ใจนี้ไปครอบครองร่างกายถ้าใจไปครอบครองร่างกายของมนุษย์แสดงว่าตอนนั้นภาวะของใจอยู่ห0 5 0หคือทามีบุญห0สมีบาห์ห้าสแต่ถ้าเวลาใดใจไปครอบครองร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแสดงว่าภาวะของใจนี้มีบาปมากกวบุญ มีบาปหกสิบสี่มีบุญสี่สิบอย่างนี้เวลาไปเกิดใหม่เวลาไปได้ร่างกายอันใหม่ก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานทําไมใจถึงไปเกิดใหม่เพราะว่าใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของสัตว์เดรัจฉานที่ใจไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่ พราะภายในใจนี้มีความอยากมีความต้องการที่จะใช้ร่างกายของมนุษย์หรือของสัตว์เดรัจฉานเป็นเครื่องมือหาความสุขนั่นเองใจต้องการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายพอร่างกายอันเก่าที่มีนี้ตายไปใจก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ ถ้าใจมีภาวะห้าสิบห้าสิบก็จะได้ร่างกายของมนุษย์ถ้ามีภาวะบาปมากกว่าบุญก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนอกจากการที่ได้ร่างกายของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานแล้วใจยังสามารถ อ, อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเวลาที่ ใจไม่สามารถที่จะมีร่างกายของมนุษย์หรือของสัตว์เดรัจฉานได้ใจก็ยังอยู่แบบไม่มีร่างกายได้ <Yeah. S 1> การอยู่แบบของร่างกายของใจแบบของใจที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณดวงวิญญาณ น, นี้ก็มีแบ่งเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ ดวงวิญญาณที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปดวงวิญญาณที่มีบาปมากกว่ามากกว่าบุญเราก็จะเรียกว่าเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในระดับของอบายอบายนี้ก็มีอยู่สามมีสี่ระดับระดับที่มีร่างกายเราเรียกว่าสัตว์เดรัจฉาน ระดับของอบายนี้คือระดับของดวงวิญญาณของดวงจิตใจที่มีบาปมากกว่าบุญที่ทำบาปไว้มากกว่าทำบุญถ้าได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่ได้ร่างกายก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีภาวะความทุกข์มากกว่าความสุขภาวะของความทุกข์นี้ก็มีเหตุหลายอย่างถ้าทาบาปด้วยความ โรคเนี่ยก็จะเป็นภาวะของดวงวิญญาณก็จะมีภาวะที่ทุกข์ด้วยความหิวโหวยหิวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะได้อะไรมาหรือไม่ก็ตามได้มาก็ยังไม่พอไม่อิ่มนี่คือภาวะของใจของผู้ที่ขณะที่มีชีวิตอยู่ทําบาปด้วยความโลภอยากได้เงินมากๆอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มากๆ ไม่สามารถทำได้โดยที่ไม่ทำบาปก็เลยไปทำบาปดวงวิญญาณก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณที่มีความหิวโหวยดวงวิญญาณที่ทำบาปนี่ที่ทำบาแล้วมีความหิวโหวยนี่เราก็เรียกว่าเปรตแล้วก็มีดวงวิญญาณอีกสองดวงอีกสองชนิดที่ทำบาปถ้าดวงวิญญาณทำบาปด้วยความกลัว กลัวว่าจะเดือดร้อนกลัวว่าจะอดอยากก็เลยไปทําบาปเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้ก็จะจะเป็นดวงวิญญาณที่จะมีจะมีความกลัวตลอดเวลาทุกด้วยความกลัวแล้วมีดวงวิญญาณอีกดวงหนึ่งที่ขณะที่มีชีวิตอยู่ทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท ด้วยความโกรธด้วยความเกลียดชังวเวลาใครทำอะไรให้ไม่พอใจก็จะไปทำร้ายเขาไปล้างแค้นไปจองเวรจองกรรมวเวลาตายไปดวงวิญ ญ, ญาณ น, นี้ก็จะเป็นนรกขึ้นมาเรียกว่านรกดวงวิญ ญ, ญาณที่ไปอบายนี้จะเป็นดวงวิญ ญ, ญาณที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขหรือมีความทุก แสดงความทุกข์ความสุขที่มียังไม่สามารถมีกำลังพอที่จะแสดงผลได้จะถูกอำนาจของอาบาปที่สร้างความทุกข์นี้แสดงความทุกข์ให้กับดวงวิญญาณได้สัมผัสจนกว่าที่จะาบาปที่ได้แสดงที่ได้ทำมาวายนี้ลดลงมาเท่ากับบุญที่มีอยู่ในใจ ก็ตอนนั้นถ้าไปได้ร่างกายก็จะไปได้ร่างกายของมนุษย์เนี่ยแล้วพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาทำบุญทำบาปใหม่ต่อไปขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆบางทีมีโอกาสก็ได้ทำบุญบางทีไม่มีโอกาสได้ทำบุญแต่มีมีภาวะบีบคั้นที่จะทำให้ต้องไปทำบาปก็ไปทำบาปกัน ก็จะสะสมบุญและบาปไปในใจไปเรื่อยๆแล้วพอเวลาร่างกายตายไปก็จะไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆตามภาวะของบุญหรือบาปที่ได้สะสมไว้ในใจถ้าในทางบวกคือถ้าในชีวิตตอนที่เป็นมนุษย์นี้ได้ทำบุญมากกว่าทำบาปเวลาร่างกายตายไปใจมีบุญมากกว่าบาป ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขไม่มีความทุกดวงวิญญาณที่มีความสุขเราก็เรียกว่าเทวดาเทวดาก็มีหลายชั้นเพราะว่าการทำบุญนี้ทำมากทำน้อยต่างกัน mm hmm. ถ้าทำมากก็จะได้เทวดาชั้นสูงมีความสุขมากขึ้นถ้าทำบุญน้อยก็จะเป็นเทวดาชั้นต่ำ มีความสุขน้อยกว่าเทวดาชั้นสูงในพระไตรปิฎกนี้ท่านแสดงเทวดาโลกของเทวดามีอยู่หกชั้นด้วยกันมีดวงวิญญาณของผู้ที่ทำบุญมากกว่าทาบาปเวลาที่ร่างกายตายไปจะได้ไปเป็นเทวดาหกชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับบุญที่ได้ทำกันว่ามากหรือน้อยนั้นเหนือจากบุญที่ได้ จากการทำความดีแล้วยังมีบุญอีกชนิดหนึ่งที่จะทำให้ดวงวิญญาณขึ้นไปมีความสุขมากกว่าความสุขของเทวดาเรียกว่าความสุขของพรหมการที่จะได้ความสุขของพรหมนี้ในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้จะต้องเป็นผู้ที่รักษาศีลแปดได้แล้วก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ ผู้ที่ทำใจให้สงบนี้เรียกว่าเป็นการสร้างบุญระดับพรหมโลกมีอยู่สองระดับด้วยกันพรหมโลกคือรูปประภรมกับอรูปประภรมเพราะว่าเวลานั่งสมาธินี้จะได้รูปประชานกับอรูปประชานรูปประชานนี้จะมีความสุขน้อยกว่าอารูปประชานเพราะมีความสงบน้อยกว่าอารูปประชาน ในพรห ม, มโลกนี้เขาก็มีสวรรค์แบ่งไว้ถึงสิบหกชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับความสงบของใจขึ้นอยู่กับฌานของแต่ละระดับว่ามีความสงบมากน้อยต่างกันอย่างไรอันนี้คือภาวะของใจที่จะทำให้ใจเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติอันนี้ไม่ต้องมีใครมาคอยอ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้เหมือนทางร่างกายร่างกายนี้ทำความดีต้องรอให้เจ้านายเห็นความดีถึงเสนอชื่อให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถึงจะเลื่อนได้แต่ทางจิตใจนี้ไม่ต้องรอให้ใครมาเลื่อนมันเลื่อนโดยอัตโนมัติการถ้าเราทำบุญทำความดีมากกว่าทำบาปเราก็เป็นเทวดาโดยอัตโนมัติ ถ้าเรามีเวลามาฝึกนั่งสมาธิมารักษาศีลแปดได้เราก็จะเลื่อนจากขั้นเทวดาขึ้นไปเป็นพรหมได้นี้จะเป็นมากเป็นน้อยก็อยู่ที่ว่าเราทำมากทำน้อยจะเป็นได้นานไม่นานก็อยู่ที่ว่าเราทำมากทำน้อยแต่ถ้าเราทำแล้วมันก็จะสะสมไปในใจแต่การที่เราได้อ ได้ผลจากการทำความดีจากการทำบุญหรือจากการนั่งสมาธินี้ผลเหล่านี้มันก็ยังเสื่อมได้เหมือนกับบาปที่เราทำไว้บาปที่เราทำไว้พอเราไปรับโทษแล้วเดี๋ยวบาปนั้นก็จะหมดไปเนือนเช่นเดียวกับการไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นพรหมพอบุญที่เราทำไว้หมดกำลังเหมือนน้ำมันรถยนต์ ที่เราเติมไว้แล้วเราก็ขับไปไหนมาไหนพอน้ำมันหมดเราต้องทำยังไงเราก็ต้องกลับไปที่ซ้ำน้ำมันพบของมนุษย์ก็เป็นเหมือนซ้าน้ำมันนี่เองพอบุญหรือบาปที่เราทำนี้มันหมดมันมามันมาเท่ากันมนุษย์ลงมาเท่ากันมันก็จะทาให้เรากลับมาเป็นมนุษย์แล้วมาทำบุญทำบาปใหม่ นี่นี่นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของดวงของจิตใจของพวกเราจิตใจเวลามีร่างกายเราก็ตั้งชื่อว่นว่าจิตใจแต่เวลามันไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาตเหมือนสุภาพสตรีเวลาที่เป็นโสดก็เรียกว่านางสาวอพอแต่งงานก็เรียกว่านางแต่ก็เป็นคนเดียวกันเ พ, เพียงแต่เปลี่ยนสถานภาพ จิตใจของพวกเราตอนนี้ที่เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำะไรต่างๆตอนนี้เราเรียกว่าร่างกายไอเรียกว่าจิตใจแต่พอเวลาไม่มีร่างกายแล้วจิตใจเราก็จะถูกเรียกว่าดวงวิญญาณแต่ก็เป็นคนเดียวกันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพียงแต่ว่าไม่มีคู่แล้วไม่มีไม่มีแฝดแล้วแฝดคือน้องร่างกายนี้ตายไปแฝดพี่เลยก็ต้องอยู่คนเดียว เวลาที่แฝดพี่อยู่คนเดียวนี้เราก็เปลี่ยนชื่อใหม่จากจิตใจมาเรียกก็เป็นดวงวิญ ญ, ญาณถ้าภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนจาก mind มาเป็น spirit แต่ก็เป็นตัวเดียวกันแล้าเป็นดวงวิ ญ, ญญาณดีหรือไม่ดีสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่ทาไว้ถ้าบาปมากกว่า บ, บุญก็จะเป็นดวงวิญ ญ, ญาณที่มีแต่ความทุกข์ก็ ถ้าทำบาปด้วยความโลภก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยทุกข์ด้วยความหิวโหวยถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์ด้วยความกลัวถ้า ด, ing, ดวงวิญญาณทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทความเกลียดชังดวงก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความว่ ที่ก่อจากความอาฆาตพยาบาทดวงวิญญาณที่อาฆาตพยาบาทนี้เราจะเรียกว่นนานรกเพราะว่ามันร้อนคนที่มีความอาฆาตพยาบาทนี้ใจมันจะร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้ายังไม่ได้ฆ่าผู้อื่นคนไม่ได้ไปล้างแค้นนี่มันยังมันจะนอนตามไม่หลับ อ, อันนี้เลยทำให้จิตใจนี้เป็นจิตใจที่ร้อน นอนตั้งแต่ยังไม่ตายเป็นนรกตั้งแต่ยังไม่ตายจิตใจมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ภาวะของจิตใจเปลี่ยนไปทันทีถ้าบาปมากกว่าบุญเมื่อไหร่เป็นอบายขึ้นมาทันทีถ้าบุญมากกว่าบาปเมื่อไหร่ก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาทันทีถ้าเป็นถ้าเป็นบุญกับบาปเท่ากันก็เป็นมนุษย์ จิตใจนี้ไม่ต้องรอให้ร่างกายตายไปถึงจะไปรับผลมันรับผลทันทีเราสามารถดูตัวอย่างของผลที่เราที่จิตใจได้รับในขณะที่ไม่มีร่างกายคือตอนที่นอนหลับนี่จิตใจเหมือนไม่มีร่างกายใช่ตอนที่นอนหลับจิตใจจะทำอะไรจิตใจจะฝันฝันดีฝันรายใช่ไทำไมจึงฝันดีทำไมจึงฝัน้าย ก็พบุญหรือบาปที่เราทานี้แหละที่ทำให้เราฝันดีหรือฝันร้ายถ้าภาวะจิตใจของเรามีบาปมากกว่าบุญเวลาเรานอนหลับเราจะฝันร้ายเวลาที่จิตใจเรามาีมีบุญมากกว่าบาปจิตใจของเราจะฝันดีความฝันนี่แหละเป็นเรื่องของจิตใจในขณะที่ไม่มีร่างกายแล้ว เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วเนี่ยจิตใจก็จะเข้าสู่ความฝันฝันดีฝันไม่ดีฝันดีเราก็เรียกสวรรค์ฝันไม่ดีเราก็เรียกว่าอบา ย, ราร ย, าบายหรือว่าถ้านอนหลับแบบไม่ฝันเลยแต่มีความนอนหลับแบบเต็มที่นอนหลับแบบนิ่งสงบก็อยู่ในสวรรค์ชั้นพรหม คนที่นอนหลับแบบนอนหลับสนิทไม่ฝันเลยตื่นขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกสดชื่นเบิกบานนี่มักจะถือว่าเป็นพวกที่นั่งสมาธิกันพวกที่นั่งสมาธิเวลานอนหลับนี้จะไม่ฝันอะไรแต่คนที่ไม่ได้นั่งสมาธิบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ฝันหรือฝันแล้วจำไม่ได้ก็เหมือนก็ได้ทัานอย่าไปคิดว่าไอเราไม่ฝันนี่เราได้ไปสวรรค์ชั้นผมหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ไป เแต่ว่าบางครั้งใจมันเหนื่อยมันก็ไม่มีกำลังที่จะฝันมันก็ไม่ฝันก็ได้หรือว่าบางทีฝันแล้วเราลืมบางทีเราตื่นขึ้นมาปั๊บเดียวเราลืมไปแล้วว่าเมื่อกี้เราฝันอะไรฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเอ้ยเรานอนหลับไม่ฝันนี่แสดงว่าเราได้ไปสวรรค์ชั้นผมแล้วเหรอมันยังไม่ได้ไปถ้าเรายังไม่เคยฝึกสมาธิยังนั่งสมาธิไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ นี่ะคือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พวกเรานี้จะถ้าไม่ได้มาศึกษานี้จะไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นผ่านทางร่างกายได้นักวิทยาศาสตร์จึงมักจะปฏิเสธเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของดวงวิญญาณเพราะนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถ พิสูจน์ได้ น, นั่นเองเมื่อไม่พิสูจน์ได้วิธีที่ดีที่สุดก็ปฏิเสธมันไปเลยว่าไม่มีเหมือนกับคนตาบอดที่มองไม่เห็นอะไรก็เลยปฏิเสธว่าไม่มีอะไรให้เห็นแต่ความจริงมันมีใช่ไหมคนคนตาบอดมองไม่เห็นก็เลยบอกนั่งตรงนี้ไม่เห็นอะไรแสดงว่าตรงนี้ไม่มีอะไรเลยแต่คนที่ตาดีก็บอกบ้าเปล่าเนี่ยลองลืมตาขึ้นมาดูสิจะเห็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลย งั่นถ้าเราอยากจะเห็นอะไรอยากจะเห็นดวงวิญญาณนี้ก็มีวิธีเห็นได้เราต้องเปิดตาในเปิดตาใจเปิดตาของดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี้ก็มีตาแต่เวลาที่มาอยู่กับร่างกายนี้จะปิดตาในเราจะมาใช้ตานอกใช้ตาของร่างกายถ้าเราอยากจะเปิดตาในเราต้องปิดตานอก เราต้องนั่งหลับตาแล้วก็ดึงใจให้เข้าข้างในที่เราเรียกว่าวิธีนั่งสมาธินี่การ น, นั่งสมาธินี้เป็นการดึงใจให้เข้าข้างในเพื่อจะได้เปิดตาในพอนั่งสมาธิแล้วใจก็จะปล่อยร่างกายจะจะถอยออกจากร่างกายจะถอนกระแสที่มาตะกะติดที่ตาหูจมูกลิ้นกายจะไม่รับเสียงจะไม่รับรูปไม่รับกลิ่นไม่รับอะไร พอใจเข้าไปข้างในเต็มร้อยปับ๊บใจก็จะไม่รับรู้เรื่องร่างกายเลยเรื่องกายความรู้สึกทางร่างกายนี้จะหายไปเราจะเหลือแต่ใจที่เริ่มเห็นตัวเองเห็นตัวรู้ขึ้นมาอันนี้ถึงจะรู้ว่าอ๋อนี่แหละคือใจนี่แหละคือตัวรู้ว่าเป็นอย่างไร ถึงจะอถึงจะเข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมได้ถ้าไม่เข้าไปข้างในนะถ้าไม่ไม่ดึงใจที่ออกมาทางร่างกายนี้ให้กลับเข้าไปข้างในจใจจะไม่เห็นตัวเองใจจะเห็นแต่สิ่งที่เห็นผ่านทางร่างกายถ้าอยากจะเห็นใจต้องดึงใจเข้าไปวิธีจะดึงใจนี้ต้องใช้สติเท่านั้นสตินี้จะเป็นผู้ที่จะดึงใจให้เข้าข้างในได้ ทำไมต้องดึงเพราะว่าใจนี่มีกระแสคอยผลักดันให้ใจออกข้างนอกกระแสที่คอยผลักดันให้ใจออกข้างนอกก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาตัวที่อยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจะคอยสั่งให้ใจคิดไปกับการหารูปเสียงกลิ่นรส สังเกตดูแต่พอลืมตาขึ้นมาใจมันน่มคิดหารูปเสียงกิ่นลแล้วล่ะตอนต้นก็ลืมตาขึ้นมาก่อนเลยวันนี้ดูนาฬิกาแล้วมันออกมาทางออกมาทางตาแล้วก็ฟังเสียงนับกิ่นอะไรแล้วก็เริ่มคิดแล้ว คิดว่าจะไปหารูปเสียงกลิ่นรส อ, อันไหนดีตอนต้นก็หารูปเสียงกลิ่นรสของอาหารก่อนของเครื่องดื่มก่อนก็แพรร้อนร้อนสักถ้วยก่อนมันเคยดันมันเลยดันใจให้ออกมาทางร่างกายถ้าเราไม่มีสตินี้เราจะไม่สามารถที่จะดึงใจให้เข้าไปข้างในได้ เราจะไม่สามารถรู้จักใจได้ไม่สามารถเข้าใจกฎแห่งกรรมได้ถ้าเราไม่ฝึกสมาธนะิแต่ถ้าเราฝึกสมาธิด้วยการสร้างสติขึ้นมาถ้าไม่มีสตินี้นั่งสมาธิยังไงใจก็จะไม่เข้าข้างในจะเข้าข้างในได้ต้องมีสติคอยหยุดความคิดความคิดนี้มันเป็นเครื่องมือของความอยาก ความอยากมันอยากให้คิดถึงกาแฟคิดถึงขนมคิดถึงอะไรต่างๆแต่ถ้าเราหยุดความคิดได้ความอยากมันก็ทำงานไม่ได้ความพออยากความอยากทำงานไม่ได้ใจก็เข้าข้างหนได้เราเลยต้องมาฝึกสติมาหยุดความคิดกันก่อนเครื่องมือที่จะหยุดความคิดเครื่องมือที่จะสร้างสตินี้เราเรียกว่ากรรมฐาน กรรมฐานนี้มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันที่เราสามารถใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นเครื่องมือให้สร้างสติขึ้นมาเพื่อที่จะหยุดความอยากหยุดความคิดได้กรรมฐานที่เราจะได้ยินบ่อยๆที่เราใช้กันทั่วไปที่เหมาะกับคนทั่วไปก็คือคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธอันนี้เราเรียกว่าพุทธานุสติ ให้มีสติอยู่กับชื่อของพระพุทธเจ้า <Ừ. S 1> แต่อันนี้ไม่ใช่เป็นอันเดียวมีมีการใช้สติสร้างสติอีกหลายแบบเช่นเวลาเรานั่งเฉยๆถ้าเราไม่ใช้พุทธโธเราจะใช้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้อันนี้เราก็เรียกว่าอาณาปานาสติให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกอาณาแปลว่าลมลมเข้าปานะแปลว่าลมออก สติก็คือให้รู้อยู่กับลมเข้าลมออกก็เรียกว่าอานาปานาสติหรือถ้าไม่ใช้อานาปานาสติเวลาเราทํางานเราก็ใช้กายกตาสติกายกตาสติก็ให้มีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายกายกตาแปลว่าร่างกายให้รู้ว่าลานนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินกําลังยืนกําลงังนั่ง กำลังหันหน้าไปทางซ้ายกำลังหันหน้าไปทางขวากำลังยกแขนยกมือกำลังอาบน้ำกำลังแปรงฟันไม่ว่าทำอะไรให้มีสติอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นเรียกว่าเป็นการสร้างสติด้วยใช้ด้วยการเฝ้าดูร่างกายดังนั้นกรรมฐานนี้มีอยู่หลายรูปแบบหลายชนิดด้วยกันและเราอาจจะต้องเปลี่ยนไปตามโอกาส เช่นเวลาที่เราเคลื่อนไหวนี้เราใช้ดูลมหายใจลาบากมันยากเพราะลมมันละเอียดสู้ดูร่างกายง่ายกว่าดูเท้ากำลังเดินง่ายกว่าดูมือที่กำลังยกขึ้นยกลงหรือดูงานที่กำลังทำอยู่อันนี้ที่ให้ดูเพื่อที่จะได้ไม่ให้ใจคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ถ้าขณะที่ดูร่างกายมันยังหนีไปคิดได้ เราอาจจะต้องใช้คาบริกรรมดึงกลับมาก็ได้ใช้พุโทโธพุโทโธดึงกลับมาถ้ามันเดินไปมันยังคิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่เราก็ต้องเดินไปแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปด้วยก็ได้เพื่อให้มันหยุดคิดให้ได้ให้มันกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันให้มาอยู่ที่ร่างกายถ้าเราฝึกสติแบบนี้ต่อไปสติเราจะมีกาลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วต่อไปความคิดจะน้อยลงน้อยลงพอเรา สั่งให้มันหยุดคิดมันก็จะหยุดคิดถ้าเราไม่สั่งมันก็จะคิดทีนี้ถ้าเรามีสติแล้วถ้าเราอยากจะให้ใจเข้าข้างในเราก็สามารถทำได้เราก็ไปนั่งหลับตาเราก็มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือมีสติอยู่กับคำบิกรรมพุทโธพุทโธถ้าเราไม่ไปคิดอะไรภายในหนาทีสิบนาทีนี้จิตก็จะเข้าข้างในได้ เด็กก็จะเหมือนตกหลุมตกบ่อเข้าไปบางทีเหมือนเข้าไปในถ้ำหรือเหมือนตกลมตกลงไปในบ่อลบ่อลึกร่างกายหายไปจากความรู้สึกเลยตอนนั้นจะมีแต่ความว่างความสงบความเย็นความสบายใจแล้วใจก็เป็นกลางใจจะรู้สึกเฉยเฉยไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงอยู่ในใจอันนี้คือการเข้าถึง เข้าไปสู่บ้านของใจหรือเข้าไปสู่ฐานของใจเขาเรียกว่าฐานสมาธิคือฐานของใจเป็นบ้านของใจนล้วใจก็จะรู้จักตัวเองว่าอ๋อนี่คือเราเราคือผู้รู้ตอนนี้เราหยุดคิดแล้วแล้วก็เลยเหลือแต่ผู้รู้หยุดคิดหยุดจําหยุดรับความรับรู้ความรู้สึกที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายต่างๆก็เหลือแต่ผู้รู้ผู้คิดอยู่ ผู้คิดก็หายไปเหลือแต่ผู้รู้แล้วก็จะอยู่ในนั้นนานไม่นานก็อยู่ที่กำลังของสติถ้าใหม่ๆนี่จะเข้าไปแป๊บเดียวก็จะถอยออกมาเพราะกำลังสติที่จะให้อยู่นานๆยังไม่มีมีพอที่จะดึงเข้าไปพอดึงเข้าไปก็หมดกำลังพอหมดกำลังกิเลสตันหาความโลภความอยากที่มีอยู่ในใจมันก็จะดันใจออกมาให้คิดทันที ถ้าเราหมั่นฝึกสติเรื่อยๆเหมือนนั่งสมาธิเรื่อยๆต่อไปจิตก็จะเข้าไปข้างในและอยู่ได้นานขึ้นนานขึ้นตอนต้นก็ได้แค่ไม่กี่วินาทีต่อไปก็จะได้หนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีฝึกไปเรื่อยๆต้องฝึกสติตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะตอนที่มานั่งต้องฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลานอนหลับเลยถึงจะสร้างสติขึ้นมาได้มาก ถ้าไม่ฝึกไม่สร้างสตินั่งสมาธิยังไงก็ไม่มีวันที่จะเข้าถึงความสงบเข้าถึงฐานของจิตได้จะไม่รู้จักตัวของจิตว่าเป็นอย่างไรจะไม่เห็นเวลาจิตทุกจิตสุขเป็นอย่างไรถ้าเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยเวลาจิตคิดไม่ดีปั๊บเนี่จะรู้เลยว่าจิตไม่สบายใจขึ้นมาทันทีเวลาจิตคิดดีปับ๊บจิตจะเย็นจะสบายขึ้นมาทันทีจะเห็นกฎแห่งกรรมอย่างชัดเจน อยู่ภายในจิตนี่จิตเป็นผู้กระทาและจิตเป็นผู้รับผลของการกระทาของจิตเองไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของทางร่างกายว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษอันนั้นไม่เป็นปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่ใจนะครับถ้าเรามีสติแล้ว เ, เข้าถึงตัวจิตนี้แล้วเราจะเห็นทีนี้เราจะระมัดระวังแนละ้วมาต่อไปนี้เราจะไม่คิดไม่ดีแล้วคิดแต่ดีดีกว่าคิดดีแล้วมันทาให้เราสบายใจ หรือไม่คิดก็ถ้าไม่ถ้าไม่คิดดีแต่ก็อย่าไปคิดไม่ดีให้อยู่เฉยๆแบบไม่คิดก็ได้ไม่คิดก็สงบก็มีความสุขคิดดีก็มีความสุขแต่ถ้าคิดไม่ดีก็จะมีความทุกข์นี่คือการเข้าเข้าไปทำความรู้จักกับตัวเรานี่แหละคือตัวเราคือตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเรามากับมัน แล้วเราก็จะมารู้จักตัวเราว่าตัวตัวเราจริงๆนี้ไม่ใช่ตัวที่เราคิดกันตัวที่เราคิดนี้เป็นตัวปลอมเพราะว่าเวลาเราหยุดคิดมันก็หายไปเวลาเราเข้าสมาธิไปตัวที่เราคิดว่าเป็นตัวเราหายไปเพราะเราหยุดคิดหยุดสร้างตัวตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้เกิดเกิดจากความคิดแต่พอออกมาปั๊บเราจะคิดทันทีว่าเราเป็นนายกนายข้อเป็นหญิงเป็นชาย เป็นลูกของคนนั้นเป็นพี่ของคนนี้อันนี้เป็นของเรื่องความคิดท่นั้นเองแต่พอมันเข้าไปข้างในแล้วมันหยุดคิดปั๊บความคิดที่ว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นเป็นอะไรนี่หายไปหมดมีแต่ตัวรู้ตัวเดียวเราก็จะรู้ว่าทุกคนจิตของทุกคนเหมือนกันหมดจิตของใครก็ตามไม่ว่าของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของภรรยาของใครนี่เหมือนกันหมดเป็นตัวรู้ตัวคิด พอไม่คิดก็เหลือแต่ตัวรู้พอไม่คิดแล้วจิตก็สงบจิตก็มีความสุขพอจิตเริ่มคิดแล้วเดี๋ยวก็วุ่นวายแล้วถ้าคิดไปในทางที่ไม่ดีส่วนใหญ่ที่คิดไปในทางทีิไม่ดีก็เพราะความหลงพาให้ไปคิดในทางที่ไม่ดีความหลงจะให้เราคิดว่าถ้าได้สมบัติได้เข้าของเงินทองมาแล้วจะทาให้เราความสุขแต่ความคิดแบบนี้มันจะเป็นตัวบีบรัดให้จิตต้องไปทางาน ต้องไปหาสิ่งต่างๆมาการหาสิ่งต่างๆมันก็ยุ่งยากมีปัญหาบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาได้มาแล้ว เ, เดี๋ยวก็หมดไปแล้วก็ต้องมาเสียใจเวลาที่เสียสิ่งที่ได้มาไปผู้ที่เข้าถึงตัวความสงบของจิตแล้วทีนี้จะรู้แล้วว่าการไปหาอะไรต่างๆในโลกนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุข ใครได้เข้าสู่สมาธิแล้วนี้จะไม่อยากจะไปหาอะไรแล้วอยากจะเข้าสู่ข้างในอย่างเดียวอยากจะเข้าสู่ความสงบและปลอดภัยเพราะไม่ไปทําบาปทํากรรมกับใครแต่ถ้าออกมาข้างนอกมาทางร่างกายมาหาสิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวจะต้องไปแย่งกับคนนั้นแย่งกับคนนี้เดี๋ยวต้องไปทะเลาะกับคนนั้นทะเลาะกับคนนี้ถ้าดีไม่ดีเดี๋ยวก็ต้องไปฆ่าฟันกันอันนั้น ผู้ที่เข้าข้างในดึงจิตเข้าข้างในได้เห็นความสุขที่ได้จากความสงบรู้จักตัวเองว่าเป็นใครแล้วทีนี้ก็จะไม่ค่อยอยากจะออกมายุ่งกับเรื่องภายนอกแต่เนื่องจากว่าใจตอนนั้นยังมีภาระต้องดูแลร่างกายอยู่ก็อยู่ข้างในได้ไม่ตลอดเวลาอยู่ได้เป็นพักๆเดี๋ยวก็ต้องออกมาเพราะร่างกายมาบอกปวดท้องฉี่แล้วหิวน้าแล้ว ขิวข้าวแล้วอะไรต้องเปลี่ยนท่านั่งแล้วนั่งนานๆมันก็เมื่อยมันก็เจ็บก็เลยเข้าสมาธิไม่ได้ไปตลอดเวลาก็ต้องออกมาจากสมาธิตีนี้ออกมาถ้าไม่มีอะไรคอยรักษาใจใจก็อาจจะคิดไปตามกิเลสได้เพราะกิเลสยังไม่ได้ถูกทำลายจากการเข้าไปในสมาธิเพียงแต่ทำให้กิเลสหยุดทำงาน เวลาจิตหยุดคิดกิเลสก็ต้องหยุดทำงานแต่พอออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดถ้าไม่คอยควบคุมความคิดเดี๋ยวกิเลสมันจะดึงความคิดไปคิดทางกิเลสพอเห็นกาแฟก็อยากจะได้เห็นขนมก็อยากจะกินเห็นอะไรก็อยากจะได้ขึ้นมาเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความโลภก็จะทาให้ใจเริ่มสัน่นใจเริ่มร้อนใจเริ่มผิวขึ้นมา ใจเมื่อก่อนออกมาใหม่ๆอิ่มสบายไม่หิวกับอะไรแต่พอไปคิดไปอยากเพิ่บนี่ความหิวกเกิดขึ้นมาทันทีเหตุนั้นขั้นต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องมาคอยควบคุมความคิดไม่ให้มันคิดไปในทางความอยากขั้นนี้เราเรียกว่าวิปัสสนาคือต้องเอาปัญญาความฉลาดของพระพุทธเจ้ามาใช้ให้หยุดความคิดที่จะคิดไปในทางความอยากคิดยังไงจึงทาให้ไม่อยาก ก็ให้คิดว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์นั่นเองมันไม่เป็นสุขแต่เราถ้าไม่มีปัญญาเราจะไม่เห็นทุกข์เราจะเห็นแต่สุขทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นี้มันมีสองด้านมีด้านที่เป็นสุขและด้านที่เป็นทุกข์แต่เรามักจะมองไม่เห็นด้านที่เป็นทุกข์กันเราคิดว่ามันเป็นสุขทั้งสองด้านมันจะไปเป็นสุขตลอดเวลาได้อะไรมาแล้วสิ่งที่เราได้มาจะให้ความสุขกับเราตลอดเวลา แต่ที่ไหนได้พอได้มาแล้วความสุขได้ที่ได้มาแป๊บเดียวหายไปแล้วความทุกข์เริ่มเข้ามาโดยไม่รู้สึกตัวทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะรักพอรักอะไรก็หวงแล้วใช่ไหมหวงไม่อยากให้ใครมาแตะไม่อยากให้ใครมาอยุ่งเกี่ยวหวงแล้วเวลาไม่เห็นของที่เรารักของที่เราได้มาก็กังวลแล้ว เ, เขาเป็นอะไรไปหรือเปล่าหายไปหรือเปล่า แล้วพาเกิดเขาตายไปหรือจากเราไปก็ทุกข์อีกอันนี้แหละคือส่วนที่เรามองไม่เห็นกันเราจึงต้องอาศัยความรู้ของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าปัญญาหรือวิปัสสนาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้พิจารณาได้ศึกษาจนเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาเป็นสมบัติของเราเนี่ย มันเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะใจของเราพอได้อะไรมาแล้วเราจะหวงจะห่วงจะรักจะไม่อยากให้จากเราไปแต่เราม้มยเราไม่ศึกษาความจริงว่าของต่างๆในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดไม่มีอะไรจะเป็นเหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่เราได้มาทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในภาวะของการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ของที่เราซื้อมาใหม่ๆตอนซื้อมาใหม่ๆมันดีไปหมดใช้ได้ดีพอใช้ไปเรื่อยๆไม่ไม่กี่เดือนกี่ปีมันเริ่มเสียแล้วต้องเข้าลงซ่อมแล้วแล้วใช้ไปนานๆต่อไปก็ซ่อมไม่ได้ก็ต้องทิ้งไปนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาอยากได้กันแต่กิเลสตัณหาจะไม่สอนให้เรามองว่ามันไม่เที่ยงไม่สอนให้เรามองว่ามันจะทาให้เราทุกข์ ไม่สอนแน่เรามองว่ามันจะไม่เป็นของเราไปตลอดมันจะต้องมีวันจากเราไปหนึ yeah. Yeah. ่งต้องอาศัยคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาศึกษาให้เห็นความจริงของธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันนี้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา <Yeah. S 1> พอเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะ ไม่เอาดีกว่าได้มาแล้วเดี๋ยวต้องมาวุ่นวายใจเอามาทำไ ม, มเชี่ยววันนี้ที่เราทุกทุกเพราะอะไรทุกกับสิ่งที่มีแล้วทุกกับสิ่งที่ไม่มีส่วนใหญ่ทุกกับสิ่งที่มีใช่ไหมพอมีอะไรแล้วกังวลไหมห่วงใยไหมกังวลมีมลมสมบัตินี้ก็กังวลแล้วมีบ้านก็กังวลแล้วตอนนี้ถ้ามีใครส่งข่าวมาว่าบ้านกาลังไฟไหม้นี้เป็นยังไงตอนนี้อยู่ตรง น, นี้ไม่ติดแล้ว แต่ถ้าไม่มีบ้านก็ไม่ต้องมากังวลกับบ้านไม่มีสมบัติก็ไม่ต้องมากังวลกับสมบัติไม่มีครอบครัวก็ไม่ต้องมากังวลกับครอบครัวพอมีอะไรมันจะทุกข์มันจะสร้างความทุกข์ให้กับใจทันที เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีมันจะต้องเปลี่ยนไปจะต้องหมดไปแต่เราไม่ยอมมองกันเรามามองตอนที่เราได้มาแล้วถึงจะรู้ว่าเดี๋ยวกขาจะต้องจากเราไปแล้วแต่เราก็ไม่ยอมไม่เขาจากไปทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ามันจะต้องจากกันก็ยังไม่ยอมให้จากไปนี่คือความดื้อของใจเราจึงต้องอาศัยการปฏิบัติสมาธิและปัญญาเท่านั้นเราถึงจะสามารถสอนใจ แล้วก็สอนให้ใจเชื่อไม่ไ ม, ไม่ไม่ดื้อกับความจริงถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานี้เราจะไม่สามารถที่จะสอนใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่สามารถสอนใจให้หยุดความอยากได้สิ่งต่างๆได้เมื่อไม่สามารถสอนให้มันหยุดได้มันก็จะคอยไปหาสิ่งต่างๆมาสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่เรื่อยๆนี่แหละคือวิปัสสนาพอเราได้สมาธิแล้ว ชำนาญในการปฏิบัติสมาธิแล้วเราค่อยมาทางปัญญาพอจากสมาธิถ้าเรายังไม่ชำนาญทางสมาธิเราใช้สติรักษาใจไปก่อนเกอกมาก็กลับมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือคอยเฝ้าดูการกระทําต่างๆของร่างกายไปอย่าไปใช้ทางปัญญาเพราะว่าถ้าเราใช้เดี๋ยวเราคิดไปผิดทางมันจะกลายเป็นกิเลสแล้วมันจะทําให้ใจเราวุ่นวายฟุ้งซ่านขึ้นมา แล้วจะทำให้เราหยุดมันไม่ได้ดังนั้นเราต้องฝึกหยุดใจให้ได้จนชำนาญก่อนพอเราต้องการจะหยุดมันเมื่อไหร่เราหยุดถึงจะหยุดมันได้แล้วเราค่อยมาทางปัญญาทีนี้พอใจอยากได้อะไรล้วก็ใช้ปัญญามาสอนว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าอยากได้แฟนก็นอกจากเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาแล้วยังไม่สวยงามอย่างที่เราคิดเะก็ร่างกายของคนเราทุกคนมันมีส่วนที่สวยงามและส่วนที่ไม่สวยงามทาไมเราไม่ยอมมองไม่มองในส่วนที่ไม่สวยงามบ้างทำไมไม่มองเข้าไปใต้ผิวหนังบ้างใต้ผิวหนังนี่มีอะไรต้องเยอะแยะที่เรามองไม่เห็นกัน โครงกระดูกก็อยู่ใต้ผิวหนังปอดหัวใจตับลำไส้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ภายในร่างกายที่สวยงามนี่แหละถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะไม่อยากได้ใครมาเป็นแฟนอยู่คนเดียวสบายกว่าไม่ต้องทุกข์กับแฟนไม่ต้องทุกข์กับครอบครัวนี่คือการปฏิบัติที่จะทำให้เรายุติการ ทำให้ดวงวิญญาณของเรานี้ไปเกิดอยู่เรื่อยๆการที่มันไปเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะมันยังมีความอยากอยู่ยังอยากมีร่างกายยังอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อยู่แต่พอเราสอนใจว่าการไปเกิดนี้เป็นการไปหาความทุกข์ มันก็ไม่เอาดีกว่าหยุดความอยากดีกว่าหยุดเกิดดีกว่าพอใจได้ทำลายความอยากต่างๆหมดไปจากใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะดึงใจให้ไปเกิดเด็กต่อไปเพราะไม่รู้จะไปหาอะไรเพราะสิ่งต่างๆที่หาได้เป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นสู้ไม่หาดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าใจก็จะกลายเป็นนิพพานไป ใจที่ปราศจากความอยากต่างๆเหลือแต่ความสงบก็เรียกว่านิพานไปอยู่กับความว่างนิพพานังปรมังสุญญ์ยังนิพพานังปรมังสุขขังนิพานคือใจที่ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความสุขนี่คือความหมายปรมังสุญญ์ยังก็คือว่างเปล่า100ร้อยเปอร์ซนตปลมังสุขขังก็สุขร้อยเปอร์เซ็นต นี่เกิดใจที่ว่างเปล่าแต่แต่ไปด้วยความสุขว่างจากราภยศสรรเสริญว่างจากสิ่งต่างๆที่คนที่มีความอยากยังยังมีกันอยู่แต่ใจของผู้ที่ตัดความอยากไปหมดแล้วจะไม่มีอะไรอยู่ในใจต่อไปใจก็เลยอยู่อย่างนั้นไปไม่มีวันสิ้นสุด ใ, ใจของพระเจ้าใจของพระสาวกยังอยู่แบบนี้อยู่ ตั้งแต่วันที่ท่านได้เข้าไปถึงนิพพานแล้วไม่มีวันเปลี่ยนแปลงให้ต่อไปใจของพวกเราก็ยังเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปอยู่ถ้าเย้ายังไปไม่ถึงนิพพานใจของพวกเราก็จะทําบุญทําบาปแล้วก็ไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดใหม่มาทําบุญทําบาปใหม่ ก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระพุทธเจ้าพบกับภาษาวกของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ยินได้ฟังคําสอนและอาจจะมีศรัทธาปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติตามได้เราก็สามารถที่จะไปถึงนิพพานได้แต่ถ้าไม่มีศาสนาพุทธไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปไม่ได้ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น ดังนั้นชาตินี้เป็นชาติที่สําคัญสําหรับพวกเราเป็นโอกาสอันวิเศษที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาบอกทางให้กับพวกเราที่เราจะเอาไม่เอาก็อยู่ที่เราถ้าเราอยากได้เราก็ต้องมาศึกษามาปฏิบัติถ้าเราไม่อยากได้เราก็จะไม่ได้เราก็จะไม่ศึกษาไม่ปฏิบัตอิอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละคน ซึ่งน่าสงสารคนบงคนได้มาเจอของดีแต่กลับไม่สนใจกลับไปเห็นความสําคัญของความสุขทางร่างกายกันเลยไม่อยากที่จะมาหาความสุขทางใจกันเพราะต้องเสียเวลาศึกษาและต้องปฏิบัติที่รู้สึกยากจึงไม่อยากจะเข้าหากันแต่คนที่ฉลาดถ้าคิดเป็นถ้ารู้ความจริงของชีวิตของตนรู้จักว่าจิตใจของตน อยู่ในภาวะอย่างไรและจะเปลี่ยนภาวะของจิตใจได้อย่างไรนี้จะเห็นคุณค่าของศาสนาเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนก็ขอให้เราลองเอาไปพิจารณาดูการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาาปุราปาริปุเรนติสาคลัง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 สัพพโรโคลีนัสสตุมาเตภวตวันตารายุสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาตนาสีฤทสะนิจจังวุตฒาปจายโนจตารโหธรรมวทานติอายุวันโอสุขังภาลัง วันนี้เข้ามาเท่าไรวันนี้ทาง Facebook เข้ามา420ย t u b บ266วิทยุออนไลน์34รับฟังข้างบนนี้70คนรวมทั้งหมด790ครับคำถามต่อไปจากคุณสุใจเรานั่งสมาธิและเดินเจออารมณ์คิดมากพอคิดก็เหนื่อยหยุดคิด เมื่อเจอเวทนาความเจ็บปวดเราสู้เวทนาได้จนเริ่มชินว่าอารมณ์แบบไหนนั่งไม่รู้สึกอะไรลมหายใจหายไปเบาลงติดอารมณ์สบายจะออกจากจิตนี้อย่างไรคะพยายามจะกลับมาที่ยุบหนอพองหนอจิตก็ชอบอารมณ์แบบนี้สบายไม่รู้สึกเจ็บปวดมันสบายก็ไม่ต้องออกมา น, นั่งนั่งสมาธิก็เพื่อให้ใจมันสบายไม่มีอารมณ์กับอะไร เรียกว่าอุเบกขาเข้าใจไหมมนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงอารมณ์นั้นพอถึงอารมณ์นั้นก็อย่าไปดึงมันออกมาให้มันอยู่ไปจนกว่ามันจะออกมาเองพอมันเริ่มออกมาเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ก็ควรจะดึงมันกลับเข้าไปอารมณ์นั้นใหม่พยายามรักษาใจของเราให้อยู่ในอารมณ์นั้นทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะเดินจะเดินจะนั่งจะนอนให้มันอยู่ในอารมณ์อย่างนั้นเพราะมันสบายเรื่องอะไรไปหาเรื่องวุ่นวายใจทําไมา อยู่กับอารมณที่สบายไม่ดีกว่าเลยอยู่กับคนสบายอยู่กับคนไม่สบายนี่ไหนจะดีกว่ากัน <c oughs> อยู่กับคนที่มีแต่เรื่องนู่นเรื่องนี้วุ่นวายไปทั้งวันกับอยู่กับคนที่เขาไม่มาวุ่นวายกับเราเขาปล่อยให้เราอยู่สบายสบาย <c oughs> อยู่แบบไหนดีกว่า <c oughs> นะถ้าเราได้ถึงจุดนั้นแล้วแสดงว่าเราได้ความสงบแล้วล่ะได้อุเบกขาแล้วก็ขอให้เราอยู่อย่างนั้นไปพยายามรักษามันไป ตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรหัดหัดันรักษาให้มันอยู่ได้ทุกิริยาบุออกจากสมาธิมาก็ให้มันเป็นอย่างนั้นต่อไปทำอะไรก็ให้มันเป็นอย่างนั้นไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวที่กำลังทำอยู่ไม่วุ่นวายไปกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่ง น, น, งนี้ถ้ามันวุ่นวายก็ถึงค่อยมาหัดใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางว่าสิ่งที่เราไปวุ่นวายด้วยเราไปสั่งขอไม่ได้ไปห้ามขอไม่ได้ เขาเจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปแล้วเราก็จะกลับมาอยู่เฉยๆได้ไม่วุ่นวายไปกับอะไรได้คำถามต่อไปจากคุณพันธิพามีสองคำถามครับคำถามที่หนึ่งอาชีพซื้อขายสิ่งมีชีวิตเช่นสัตว์เลี้ยงจะบาปไหมเจ้าคะก็อยู่ที่ว่าเอาไปฆ่าหรือเปล่าถ้าไม่ได้เอาไปฆ่าซื้อขายก็ยังไม่ไมถือว่าบาปจช่น ขายขายหมาน่ารักเขาซื้อไปเลี้ยงให้มันอยู่มีความสุขอย่างนี้ก็ไม่บาปตรงไห น, นแต่ถ้าทางที่ดีถ้าปล่อยให้เขาอยู่เป็นอิสระเหมือนเราอยู่จะดีกว่าเพราะยังถือว่าไปจับเขากกักขังอยู่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในกรงทองก็ตามแต่เขาก็ยังไม่มีอิสระภาพ เพราะฉ้าค้าขายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้อื่นนี่อย่าไปทําดีกว่านอกจากช่วยเหลือให้เขาได้อยู่อย่างสุขสบายแล้วมีอิสระภาพเต็มที่เหมือนกับเราก็ทําได้เช่นไปปล่อยวัวปล่อยควายอันนี้ก็เป็นค้าขายเหมือนกันไปซื้อวัวควายที่เขาจะฆ่าแล้วก็มาปล่อยให้เขาอยู่อย่างอิสระ อันนี้ก็เรียกว่าทําค้าขายแบบนี้ได้แต่จะขาดทุนมีแต่ซื้ออย่างเดียวแต่ได้บุญเพราะเราไม่ได้ซื้อมาเพื่ออาไปขายเพื่อไปฆ่าเขาอีกทีซื้อมาเพื่อไปปล่อยเขาปล่อยให้เขาอยู่อย่างอิสระเช่น เ, เราไปซื้อปลาซื้อนกเห็นไหมปล่อยนกปล่อยปลาแล้วก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งนะไปซื้อนกซื้อปลามาแต่ไม่เอามาฆ่าเอามากินไม่เอามาขายแต่เอามาปล่อยอ อย่างนี้ก็กลายเป็นอาชีพที่ดีไปเรียวกว่าบุญอย่างถ้าซื้อมาแล้วเอามาฆ่าเอามาแกงอย่างนี้ก็บาปและถ้าเราเลี้ยงสัตว์เพื่อเอาไข่มากินหรือขายพอมันแก่ไม่สามารถออกไข่ได้แล้วเอาไปขายแต่ก็รู้ว่าคนซื้อจะต้องเอาไปฆ่าอย่างนี้ก็บาปด้วยหรือเปล่าเจ้าค่ะบาปด้วยแล้วก็ไม่มีความกะตันอยู่เลยมนุษย์เลี้ยงเรามาต้องหลายปี พอมันไม่สามารถเลี้ยงเราได้ก็ไปฆ่ามันนีกไปขายมันอีกน่าจะให้มันอยู่อย่างสบายเลี้ยงมันอย่างสบายทดแทนบุญคุณที่มันให้ไข่เรากินมาต้องหลายปีเนี่ยคิดแบบคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเนี่เรียกว่าเห็นแก่ตัวเอาประโยชน์ใส่ตัวเองไม่คำนึงถึงทุกข์ยากลาบากของผู้ที่เขาให้ประโยชน์กับเราเลยคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเวลาที่นั่งสมาธิ เอาขาซ้ายทับขาขวาได้หรือไม่เจ้าคะได้ไม่มีกฎห้ามเพียงแต่ว่าเขามีแบบฉบับให้ขวาทับซ้ายกับขวาทับซ้ายไปแต่ถ้าเราถนัดซ้ายทับขวาก็ซ้ายทับขวาไปได้เพราะคนเราก็มีถนัดซ้ายถนัดขวานะงั ني, ้นบางคนอาจถนัดซ้ายทับขวาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมันไม่มีปัญหาเลยอันนี้เป็นเพียงแต่ส่วนย่อยการนั่งแต่เป็นท่านั่งที่ดีที่สุดถ้าต้องการนั่งนานๆ ที่จะทำให้น่างกายไม่ อ, อยู่ในที่ที่เขาเรียกว่าได้ศูนย์ะจะนั่งได้นานนั่งได้สบายกว่านั่งในท่าอื่นแต่ปัญหาหลักไม่ได้อยู่ที่ท่านั่ง ปัญหาหลักอยู่ที่ใจว่ามีสติหรือไม่มีสติเพราะฉพอเราได้ตั้งท่านั่งเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องท่านั่งต่อไปมาคอยเ้าควบคุมใจให้มีสติอยู่กับลมหายใจหรือให้มีสติอยู่กับพุโทโธไปอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราถึงจะได้รับผลจากการนั่งคําถามต่อไปจากคุณสุมาลีดิฉันนั่งสมาธิมาประจําหลายปี พอประมาณนั่งได้ตอนนี้คือกายจิตเบาจนบางครั้งเหมือนไม่มีลมหายใจก็มีสติรู้ว่านั่งอยู่ปัญหาที่จะเรียนถามคือเดี๋ยวนี้ไม่ชอบดูหนังฟังเพลงรู้สึกเบื่อไม่ไปเที่ยวสัสงสรรค์กับเพื่อนเหมือนแต่ก่อนอยากอยู่บ้านเงียบๆตอนว่างก็จะชอบนั่งสมาธิมากบ้างน้อยบ้างแต่ที่รู้ว่าจิตมีความสุขชื่นใจเมื่อฟังธรรมะจิตจะมีความสุขมาก อะไรที่เคยรักเคยชอบรู้สึกห่างๆออกไปบางครั้งเบื่อด้วยซ้ำที่เป็นแบบนี้ผิดปกติหรือไม่เพราะยังต้องอยู่กับโลกกับสังคมร๋อไม่หรอกเพราะเราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมไงความสงบนี่คือรถแห่งธรรมรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวง พอเราได้รถเบ้นยี่ห้อใหม่เอี่ยมแล้วเราเคยขับรถโกโลโกโซรถกระ บ, บะนี้เราก็ไม่เอาละรถกระ บ, บะขับรถเบ้นดีกว่าอันนี้ก็เหมือนกันพอเราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วเรารู้ว่าไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับรถแห่งธรรมเราก็จะเบื่อกับความสุขแบบเดิมที่เราเคยมีอยู่ อันนี้อาจจะผิดปกติกับคนทางโลกเขา<ม>เพราะคนทางโลกเขาต้องหาความสุขทางสังคมแต่เรามันแบบว่าพอเราได้ความสุขจากการอยู่คนเดียวแล้วมันเราก็จะเห็นว่ามันดีกว่าอันนี้ก็ถ้าคนอื่นเขาว่าก็อย่าไปถือสาเขาเพราะเขาไม่รู้<ม>เขาก็จะเห็นว่าเราแปลกจากเขาไปแะความจริงเขาไม่รู้ว่าเราได้พบของดีกว่า คำถามต่อไปจากคุณตือผมภาวนาพุทโธควบกับลมหายใจเข้าออกจนถึงสภาวะดูลมอย่างเดียวดูไปเรื่อยๆจนเหมือนไม่มีร่างกายแต่ยังเห็นลมหายใจให้ดูลมหายใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมครับถูกไปจนกว่าจิตมันจะวุบลงไปแล้วปล่อยลมแล้วก็เข้าสู่ความสงบไปหรือบางทีลมดูไม่ได้ก็ให้ดูความว่างไป ให้มีสติดูความว่างไปดูว่ากำลังคิดอยู่หรือเปล่าถ้าคิดก็หยุดเหมือนให้มันดูเฉยเฉยให้มันรู้เฉยเฉไปเดี๋ยวไม่นานมันก็จะเข้าสู่ความสงบแล้วก็นิ่งแล้วก็จะไม่สนใจกับอะไรคำถามต่อไปจากคุณธรรมนูนขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายคำว่าใจนิพพานเพิ่มเติมด้วยครับ นอกจากเป็นใจที่มีแต่ความว่างความสุขใจนิพานนี้ยังสามารถรับรู้นึกคิดจดจำได้หรือไม่ครับได้คุณสมบัติต่างๆที่มีอยู่คือ ข, ขันสีือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์หรือของคนธรรมดาอย่างพวกเหล่านี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ค่อยเอามาใช้งานแา่ไม่ต้องใช้นามขันเป็นเครื่องมือหาความสุข พวกเรายังมีความอยากอยู่แล้ว เ, เลยต้องใช้รูปใช้เวทนาสัญญาสังขารไปหารูปเสียงกลิ่นลดมาให้ความสุขอยู่ยงั้นท่านจะใช้ก็ต่อเมื่อท่านต้องมาแสดงธรรมเวลาพระเจ้าแสดงธรรมไม่ว่าจะกับมนุษย์หรือเทวดานี่ก็ต้องใช้ใช้ขันใช้นามขันใช้สัญญาสังขารต้องคิดต้องนึกนึกถึงธรรมะข้อนั้นข้อนี้แล้วก็คิดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะข้อนั้นข้อนี้แล้วก็แสดง เ <remedy>. ังนั้นพระอรหันจิตใจของพระอรหันจิตใจของพวกเราเหมือนกันต่างกันตรงที่ไม่สะอาดกับสะอาดเท่านั้นเองจิตใจของพวกเราไม่สะอาดยังมีความโลภโกรธหลงมีโมหะอาวิชชาแต่จิตใจของท่าเจ้านี้เป็นจิตใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีโมหะอวิชชา oils. เหมือนเสื้อผ้าเนี่ยผ้าที่ซักแล้วกับผ้าที่ไม่ได้ซักแล้วก็เป็นผ้าเหมือนกันแต่ เพื้นที่ซักแล้วมันสะอาดไม่มีกลิ่นเหมน็นเพื้นที่ยังไม่ได้ซักนี่มันไม่สะอาดมีกลิ่นเหมน็นก็เท่านั้นเองคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามการบริกรรมภาวนากับการผิดศีลนั้นมีผลต่อกันเช่นไรเช่นดื่มเหล้าเมาแต่บริกรรมภาวนาอย่างนั้นอาจเป็นโทษเช่นไรหรือไม่อย่างไรหรือโกหกแต่ก็ยังบริกรรมภาวนาด้วยคือมัน จะทำให้การบริกรรมภาวนายากถ้าทำผิดศีลถ้ากินเหล้าแล้วนี้มันภาวนาบริกรรมไม่ได้แล้วมันเมา หรือว่าถ้าไปทำบาปใจมันจะคิดแต่บาปที่ทำไว้ทำให้ไม่บริกรรมไม่มีอารมณ์ที่จะบริกรรมน้นเราจึงต้องทำให้ใจไม่มีอารมณ์ต่างๆมารบกวนการบริกรรมเช่นถ้าเราไม่ไปทำบาปก็จะไม่มีเรื่องข้างๆอยู่ในใจให้เราต้องคอยกังวลต้องคอยคิดมันก็เลยไม่มารบกวนการบริกรรมของเรา แต่ถ้าวันนี้ลองไปโกโหกแฟนดูเลยแล้วไปนั่งสมาธิดูนี่บางทีปริกรรมไม่ออกคอยกังวลว่าเดี๋ยวแฟนจับได้หรือเปล่าคะคำถามต่อไปจากคุณธีรชาติการทำบุญโดยผู้รับเงินไม่ทราบว่าเป็นใครให้เงินเขาเราจะได้บุญเท่ากับแจ้งเขาให้ทราบไหมครับได้ได้เท่ากันว่า บุญไม่ได้เกิดอยู่ที่ว่าคนรับรู้หรือไม่รู้ว่าเป็นใครบุญอยู่ที่การเสียสละของเราขอให้เรารู้ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ได้บุญเช่นเมียเราเอาเงินไปทําบุญโดยที่เราไม่รู้นี่เราจะไม่ได้บุญจะได้บุญก็ต่อเมื่อเมียมาบอกเราว่าพี่เอาเงินพี่ไปทําบุญนะถ้าเราอนุโมทนายินดีโอเคใช้ได้ทักคิวอย่างนี้เราก็จะได้บุญถือว่าเขาทาแทนเราแต่ถ้าเราเสียดายเสียใจโกรธเมียไม่ได้บุญ คำถามต่อไปจากคุณสับพรสีจิตโยมโดนกระทบเรื่องร้ายๆบ่อยโยมรู้สึกว่าตัวเบาไม่เดือดร้อนเหมือนสามารถคุมสถานการณ์ได้เสมออยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าโยมมีจิตที่เป็นอุเบกขาแล้วใช่หรือไม่เจ้าคะใช่แล้วถ้าใจไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆก็แสดงว่าใจมีอุเบกขาที่จะมีมากมีน้อยก็ต้องดูไป เพราะบางเรื่องมันอาจจะไม่แรงมันก็มันก็รับได้พอไปเจอเรื่องแรงๆเข้านี่อาจจะรับไม่ไหวก็ได้อย่างมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งมีสามีคนหนึ่งลาภรรยาไปบวช ไปบวชแล้วทุกวันก็มีลูกเอาอาหารไปส่งบวชไป น, นานๆเข้าลูกก็มารายงานว่าเหตุการณ์ที่บ้านเป็นยังไงก็บอกว่าตอนนี้แม่เขาต้องขายสมบัติเพราะไม่มีเงินใช้แม่หลวงตาได้ยินแล้วก็เฉยๆไม่เป็นไรโอเคขายไปถ้ามีความจาเป็นแม่จะต้องขายบ้านเอาขายไป แม่จะต้องไปมีแฟนใหม่พอได้ยินว่าแฟนใหม่นี่ไม่เฉยแล้วไม่ได้เว้ย <laughs> <laughs> แสดงว่ายังมีอุเบกขาไม่ครบทุกอย่าง <laughs> ยังต้องคอยดูว่าเราอุเบกขาได้ครบทุกอย่างหรือเปล่าถ้า <laughs> ของที่เราไม่ลักไม่หวงมันก็อุเบกขาได้แต่พอมาถึงของกล้ตัวนี้มันอาจจะยากเช่นร่างกายเราพอเจ็บไข้ได้ป่วย ไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคร้ายแล้วเนี่ยยังจะอุเบกขาได้หรือเปล่าอันนี้ต้องทดสอบไปเรื่อยๆถ้าคิดว่ายังทำไม่ได้ต้องรี บ, ร, บรีบสร้างอุเบกขาให้มากขึ้นใช้ปัญญาสอนใจว่าร่างกายต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องยอมรับความจริงนี้ถ้ายอมรับความจริงใจก็จะไม่วุ่นวายคำถามต่อไปจากคุณมงคล อทุกรมะสุกับเวทนากับอุเบกขาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับความจริงก็ไม่ได้ใช้อุเบกขาเวทนาหรอกเนาะเขาว่าไม่สุขไม่ทุกข์อธุกรรมะสุขอสุกรมะที่บางทีคนมันก็เลยรวมลัดเอาว่าเป็นอุเบกขาเป็นกลางแต่ความจริงความเป็นกลางนี้หมายถึงใจที่เป็นกลาง ความเป็นกางนี้คือไม่โลภไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่ก็เอามาใช้แทนความไม่สุขไม่ทุกข์ไปเท่านั้นเองความจริงเวทนาไม่มีอุเบกขาเวทนามีแต่ไม่สุขไม่ทุกข์เขเวทนามีสามเวทนามีสุขเวทนามีทุกข์เขาเวทนามีไม่สุขไม่ทุกข์เขเวทนาไอ้ไม่สุขไม่ทุกข์เขเวทนามันยาวเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นอุเบกขาไปะไม่มีในในคัมภีร์หรอกไม่มีอุเบกขาเวทนา คำถามต่อไปจากคุณภัยทูนการให้ทานที่จะได้อ น, นิสง์มากขึ้นอยู่กับผู้ที่ให้ทานทานที่ให้และผู้รับทานหรือไม่ครับอยู่ที่สิ่งที่ให้ว่ามีคุณค่าราคาสำหรับคนที่ให้มากน้อยเพียงไรถ้ามีคุณค่าราคามากก็จะมีความรู้สึกมีความสุขมากถ้าเราให้ของที่เรารักมากจะมีความสุขมากกว่าให้ของที่เราไม่รัก เช่นเสื้อที่เราไม่ชอบใส่นี่เราให้เขาไปเราจะไม่ค่อยรู้สึกเสียดายแต่เสื้อที่เราชอบใส่นี่ที่เราหวงนี่แต่พอดีไม่มีอะไรจะให้เขาต้องให้ตัวนี้ก็จะรู้สึกเสียดายแต่ถ้าให้ได้เราจะรู้สึกมีความสุขมากกว่าดังั้นอยู่ที่ใจของเราว่าเรามีความผูกพันกับของที่เราให้มากน้อยเพียงไรมีความผูกพันมากให้ได้ ก็แสดงว่าได้ความสุขมากได้บุญมากมีความผูกพันน้อยให้ไปก็จะได้ความสุขน้อยคำถามต่อไปจากคุณกิตทําอย่างไรถึงจะมีอุเบกขาครับก็ต้องฝึกสติให้อยูอย่เรื่อยๆให้ใจไม่คิดปรุงแต่งแล้วมีเวลาว่างก็ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วให้ดึงใจให้เข้าข้างในให้ได้ ตอนนั้นถึงจะได้อุเบกขาขึ้นมาถ้ายังไม่นั่งก็จะได้แบบห้าสิบห้าสิบคือเวลาเรามีสติมันก็อุเบกขาขึ้นมาบางส่วนนะเฉยกับเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้พอได้บ้างแต่จะไม่ได้เต็มที่ถ้าอยากจะได้เต็มที่นี้ต้องนั่งหลับตานั่งเฉยเฉยแล้วก็ใช้สติดึงใจให้เข้าเข้าไปข้างในเข้ า, ไ ป, ข า, ไ, ขาไปในสมาธิพอเข้าถึงสมาธิแล้วก็จะเกิดอุเบกขาขึ้นมา คำถามต่อไปจากคุณวิพาณีวันนี้ไปตักบาตรพระห้ารูปแต่พระมารับบิณฑบาตแค่สามรูปใจก็ตั้งว่าส่วนที่เหลือจะแจกให้เพื่อนๆที่ไปตักบาตรด้วยกันแต่มีเพื่อนมาบอกว่าเราได้กล่าวถวายทานไปแล้วต้องตักบาตรให้หมดควรปฏิบัติอย่างไรเพราะเราตั้งใจซื้อไป ไปเกินเพื่อแจกเพื่อนด้วยแต่พอมันอยู่ในตรกาดเดียวกันจะแจกเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าต้องใส่บาทรพระให้หมดก็ได้ทั้งนั้นแ่ะขอให้เราทําไปแจกไปก็แล้วกันแจกพระก็ได้แจกเพื่อนก็ได้ออย่ากเก็บเอาไว้กินเองก็แล้วกัน อ, ะอะจะ อยู่ที่ความตั้งใจก็ถ้าเราตั้งใจอะไรไว้ก็คนจะทําตามที่เราตั้งใจไว้ใจเราจะได้ไม่พลิกลิ้นจะได้ไม่หลอกเราบางทีตั้งใจจะทําบุญแสนหนึ่งพอถึงเวลาฟักได้แค่หมื่นเดียว้หมือนก็หลอกเราอย่างถ้าเราตั้งใจทําบุญเท่าไหร่ก็ทํามันให้มันตามที่เราตั้งใจไว้ เพราะความตั้งใจนี้สำคัญความตั้งใจนี้เป็นตัวบีบบังคับให้เราต้องทำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำกันถ้าเราไม่ตั้งใจก็ปล่อยตามอารมณ์พอถึงเวลาจริงๆตอนต้นก็คิดว่าอยากจะทำแสนหนึ่งพอถึงเวลาจะจ่ายจริงๆเปลี่ยนใจเอาแค่หมื่นเดียวก็พอแต่ถ้าตั้งใจว่าจะต้องเอาแสนหนึ่งก็ต้องเอาตามสัจจะที่ตั้งไว้ อย่ถ้าเราตั้งใจใส่บาทพระสี่รูปแล้วมาสามรูป อ, อีกอันก็ใส่ไปกับพระรูปสุดท้ายก็ได้ใส่สองเท่าไปก็เหมือนกันหรือจะอไปให้เพื่อนก็ได้แต่ไม่ต้องไปบอกเพื่อนพอบอกเพื่อนแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมารู้กันมากมก็เลยสับสนกันไป คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามไปตลาดซื้อหมูมาหมักไวน์เพื่อทำกับข้าวจะผิดศีลข้อห้าไหมครับถ้าเราไม่ดื่มเองมันไม่ผิดถ้าเราดื่มมันถึงจะผิดถ้าเราถือศีลบริสุทธิ์คือเรากินอาหารที่มีสุราผสมด้วยมันก็ถือว่าเราดื่มสุราด้วยแต่ถ้าเราเป็นคนแบบไม่สุดตรงคิดว่าคิดตามเหตุตามผลว่ามันก็เป็นเพียงเครื่องปรุงอาหาร กินแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้อาการอาการมึนเมาแต่อย่างใดเวลากินก็แทบจะไม่ได้รับสัมผัสกับกลิ่นรสของของสุลาเลยอันนี้ก็ก็ดื่มก็จะว่าผิดก็ได้ผิดศีลแล้วก็ผิดเนี่ยเพราะมันดื่มสซลาแต่มันจะทําให้เราไอไม่สุดโต่งเพราะบางครั้งเดี๋ยวเราไปงานคนอื่นบ้านเขาจ่างานมันเกิดเขาอาหารมาเลี้ยงแล้วเดี๋ยวต้องคอยถามว่าอันนี้มีสุราหรือเปล่าอันนี้มีสุลาหรือไม่ เดียวกินอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าเขาใส่สุลาเข้าไปในอาหารที่ก็ปรุงแต่งหรือเปล่ายังนั้นถ้าจะเป็นคนที่แบบว่าไม่วุ่นวายไม่จู้จี้จุกจิกนะก็ก็อาจจะต้องยินดีตามมีตามเกิดไปถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ไม่ได้กลิ่นมันไม่ได้รสมันก็กินไปเหมือนกับมันเหมือนกับมันไม่มีไปแต่ถ้ารู้ว่ามี ถ้าเราอยากจะให้มันบริสุดเต็มที่ก็อย่าไปกินมันเท่านั้นเองหมดแล้วเหรอเพราะบางทีเราไปบริสุดสุดตรงเราจะทําอะไรไม่ได้นะรักษาสิ่สุดตรงนี้จะเดินไปเดี๋ยวก็กลักวเหยียบมอเตอร์ขับรถเดี๋ยวก็จะไปมีแมลงวิ่งเข้ามาอวิ่งเข้ามาชนกระจกตายไปต่อไปทําอะไรไม่ได้เลย อ, อยแล้วก็เอาตามหลักแบบว่าแบบว่าตามมีตามเกิดกันแล้วกัน ดาบใดที่เราไม่มีเจตนาทาแล้วเขาต้องมาตายเพราะการกระทำของเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยไปอย่างขับรถไปแล้วสุนัขวิ่งตัดหน้าชนเราก็ชนรถชนสุ ช, ช, ช, ชนสุนัขตายไปอย่างนี้ก็ไม่บาปนะเพราะเราไม่มีความตั้งใจจะทำจะฆ่าเขาเขาเป็นเป็นปัญหาเองเขาวิ่งมาตัดหน้ารถเองอย่างนี้ก็ ไม่งั้นจะทำอะไรไม่ได้เนะีขับรถพอชนหมาตายทีนี้ไม่กล้าขับนะ mm hmm. ถ้าอยากจะรักษาสีให้เบริสุดก็ต่อไปก็ทําไม่ได้นะต่อไปกินอาหารก็ไม่ได้ต้องกินของตนเองเพราะาคนอื่นไม่รู้ว่าเขา mm hmm. ใส่สุดาอะไรมาหรือเปล่ า, างั้นการถือศีนก็ให้มันแบบทางสายกลางอย่าหย่อนเกินไปแบบแบบจ ะ, จะกินเหล้าแล้วก็อ้างว่าไม่ได้กินไม่ได้ด ถือว่าเป็นน้ำํำคิดว่าเป็นยาดองนี้มันก็ไม่ได้นะเงี้ยหย่อนเกินไปแต่ถ้ามั น, ม, นมันมีส่วนผสมในอาหารที่เราแทบจะไม่ได้รู้ว่ามีกินเข้าไปก็ไ ม, ไม่ไม่ได้ทําให้เรามึนเมาอะไรก็กินเข้าไปนีต้องให้ถือทางสายกลางเออไม่ไม่ตึงเกินไปไม่ไม่หย่อนเกินไปงั้นเดี๋ยวชีวิตเราจะลําบากจะดําเนินชีวิตไปอย่างลําบาก คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามสถานที่แห่งหนึ่งถ้าเราไปแล้วอาจจะไปพบศัตรูหรือคนที่ทําให้เราเกิดความโกรธความทุกข์ขึ้นได้ถ้าเราเลือกที่จะไม่ไปที่แห่งนั้นเลยเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้จิตใจเศร้าหมองจะถือว่าเราไม่มีอุเบกขาหรือไม่ครับก็ไม่มีแน่นอนลนะ่ะเพราะว่าถ้ามีเราไปที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นนะถ้ามีอุเบกขาเราไปที่ไหนใจเราก็จะเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้ ที่เราเลือกก็แสดงว่าเรายังไม่มีอุเบกขาพอแตถ่ถ้าเลือกก็ไม่เสียหายตรงไหนเพราะว่าถ้าไปแล้วมันทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายใจเลยทำให้เราเจ็บตัวไปทำไมใช่ไหเราก็เลือกได้ก็ต้องรู้จักเลือกรู้จักหลีกหลีกได้ก็หลีกหลบได้ก็หลบแต่ถ้าหลีกไม่ได้หลบไม่ได้ต้องเจอก็ต้องเจอไปแต่ทาใจให้เฉยๆไป ยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอาจจะเป็นกรรมของเราที่จะต้องมาชดใช้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกได้นแม้แต่คนที่มีอุเบกขาอยู่ดีๆทาไมจะเดินไปตรงที่ตรงนั้นถ้ามันมีหนามเขาบอกเดินไปแล้วจะเหยียบหนามนี่คนมีอุเบกขาก็าไม่เดินหรอกใช่ไหมเรื่องอะไรถ้ามีทางเดินที่ไม่มีหนามทำไมจะต้องไปเลือกเดินที่ทางมีหนาะ อันเลือกได้แต่ถ้าไม่เลือกไม่ได้แล้วยังต้องไปทางนี้อยู่ก็ต้องไปแล้วก็ยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปเถิุ